เรื่องยางไม้ที่เป็นยาสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายผู้เป็นไข้ต้องการยางไม้ที่เป็นยาภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคทรงรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตยางไม้ที่เป็นยาคือหิงคุ ยางเขี่ยวจากหิงคูยางเขี้ยวจากเปลือกหิงคุยางจากยอดตันตกะยางจากใบตันตกะยางเขี้ยวจากก้านตันตกะกรรมยานหรื อ, อยางที่เป็นยาชนิดอื่นที่มีอยู่ซึ่งไม่ใช่ของเคี้ยวของฉันรับประเขนแล้วเก็บไว้ได้จนตลอดชีพ